ผู้การประกาศอาริยสัจยังไงผู้การชี้แจงให้ลูกชั้นฟัง ห, หน่อยเราทั้งหกสูตรนะเลือกเอาเลยก็ประกาศตอนไททายครับของทุกสูตรในตอนต้นๆ ก, ก็ก็ได้แสดงถึงถึง ถึงพิปัสนาต้นต้นตั้งแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนรตาเมื่อก่อนหรือว่าต้นที่สุดเลยก็หมายความว่าตั้งแต่แต่ในนี้ไม่ได้แสดงยาตาปิญญานะฮะอันนี้แสดงตั้งแต่เรื่องตรนะปิญญาเริ่มเินมากจะเป็นอย่างนั้นพยัญชนะถ้าใช้คําว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงเป็นรสโพธิภพนะถือว่ากล่าวสิ่งนั้นพร้อมทั้งปัจจัยเรียบร้อยแล้วในในบทนั้นแล้วก็เท่ากับบอกว่านั่นคือทุกขสัตว์แล้วนะ ก็สูตรเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็เป็นไปตามเป็นไปตามหัวข้อในสัตตัรฐานสูตรซึ่งว่าไว้ด้วยตั้งแต่เรื่องอตัวตัวธรรมะคือตัวลักษณะพร้อมปัจจัยนั่นนะฮะแล้วก็การเกิดการดับคุณโทษผูบายเครื่องสลัดออกนี่ก็บอกไว้ทั้งหมดเลยนะเท่ากับว่าทำปริญญาตั้งแต่ในที่นี้ก็เริ่มตั้งแต่ตรนัติญญาขึ้นไปนะแล้วก็ก็ ตามาด้วยนิพพิทานะครับแล้วก็วิราคานิโรธาจบลงไปที่ปฏิสขะปฏิส ข, ขารูปศาสนานก็ก็ก็บรรลุถ้าสังเกตแยกแยะนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศทุกขสัตว์คือตาหูจมูกลิน้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนั่นแหละเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะ ทีนี้ห้ามสมุทรยศัสตร์ด้วยบอกว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราอันนั้นแหละปฏิเสธสมุทรยศัสตร์เพราะฉะนั้นอริยสาวกเมื่อฟังอย่างนี้จะเบื่อหน่ายเนี่ยนะอันนั้นบอกพลวะวิปัสนาไปเลยอนะันนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนั้นประกาศมัคคสัตนะนะเพราะคลายกำหนัดนั้นหมายถึงมีนิโรธสัตเป็นอารมณ์แล้วจึงคลายกำหนัดเนี่ยนะนะนั่นก็เท่ากับประกาศสัจจะสี่โดยโดยบริบูรณ์เนี่ยนะแล้วก็ตอนท้ายยังย้ําว่า ผู้ที่เจริญหรือปฏิบัติตามนี้นี่ก็ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนั่นเองนี่คจริงสูตรเหล่านี้แสดงโครงสร้างไว้อย่างเยี่ยมยอดเลยนะครับเนี่ยถ้าใครอ่านแล้วเข้าใจนะครับก็ก็จะเข้าใจาศาสนาพุทธเลยว่าว่าการดำเนินปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไปตามนี้ส่วน ส่วนที่จะแยกลงไปในรายละเอียดนะเช่นว่าอาสาทัเป็นยังไงอาทีนวาวะเป็นยังไงนี่นะครับนิสชนะเป็นยังไงนี่นะฮะก็ก็ไปหาเอาลายรายละเอียดลงไปอันที่จริงนะฮะเรื่องอาสาทัอาทีนวาวะนี่เนี่ยถ้าเราไม่ทําปริญญาเราก็ปุถุชนก็จะเห็นแต่แต่อาสาทัมากนะครับไม่ค่อยเห็นอาทีนวาวะอันที่จริงแล้วท่า ตัวตัวอาทินวะซึ่งเป็นตัวที่ที่เห็นยากที่สุดนะครับคือว่าถ้าจะเห็นตัวรูปขันนะสมมติว่าจักขูเนี่ยถ้าเห็นว่าตาเนี่ยมันมีโทษโดยที่ว่ามันมีเจ็บมีป่วยมีไข้มันก็ไม่ไม่ ไม่มีโทษมากเท่ากับว่าตาเนี่ยเป็นตัวเป็นอายุธนะที่ทําให้เกิดอกุศลจิตทําให้เกิดอกุศลกรรมทําให้เกิดมีตาใหม่เนี่ยเพราะตัวตัวตัวนี้เนี่ยผมว่ารู้สึกจะรู้สึกว่าจะเป็นโทษที่มันมันซ่อนเลนที่มันเข้าใจใ<ช> ต, ต้องต้องศึกษาแล้วครับว่ามั น, นไม่ใช่อะไรทำให้เห็นอย่างว่าไอตีรณปริญญาทําไม่ดีงน <laughs> เห็นคือหมายว่าอ ที่ผู้การพูดนะเท่ากับเผยจุดอ่อนอย่างหนึ่งว่าการพิจารณาเหตุเกิดกับความดับเนี่ยน้อยเต็มทีที่ท่านน้อยเนี่ยจึงบอกว่าไอการประกาศถึงคําว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือความเป็นโรคในตัวนั้นอ่าเพื่อจะตัดชั้นราคะจึงอ่อนเนี่ย น, นะเพราะว่าเรายังํานวนว่าในส่วนของกรรมสกตาหรือเหตุเกิดความดับเนี่ยนะการไข้ครวญในแง่นั้นอ่นอดมากนั่นนะอติ ตาเนี่ยนะประโยชน์ของตาก็เพื่อการการเห็นนะนะประโยชน์จริงๆกับการเห็นเนี่ยในแง่อ า, าสา ถ, ถ้าเห็นแล้วโสมนัสเนี่ยวันหนึ่งนะกับเห็นแล้วก่อให้เกิดโทม น, ดโมนัตอันไหนมากกว่ากัน<บท>โสมนัสกับโทมันัตไหนแม่โสมมากกว่าใช่โทมันโทมนัตมากกว่าก็ไงถ้าแล้วแต่ใครเหมือนกันนะไม่ถ้า<ท><ท>คน ม, <ท>มีบุญน่อยก็ไปหาอะไรที่ดูได้แต่โสมนัสได้ทั้งวันอ่ะนะไม่มาก แต่คนไม่ค่อยมีบุญนะแต่ถ้าว่าโดยรวมแล้วคนในโลกนะเห็นแล้วก่อให้เกิดโทมนัทมากกว่าโสมนัทนั่นะงว่าโดยรวมๆเลยนะเต็มๆนะการเห็นที่ก่อให้เกิดโทมนัทมากกว่าโสมนัทเอาถามว่าเห็นในสิ่งที่เราชอบกับเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบอะไรมากกว่ากันวันหนึ่งเนี่ยเห็นในส่วนที่ชอบมากกว่าแสดงว่าในนี้ผู้มีบุญมาก แสดงว่าถ้าเป็นอยู่สวนนะก็บอกว่าเป็นผนัดูแต่ดอกไม่ใช่ดูลําต้นดูรากนั้นก็เลยดูแต่ดอกอย่างเดียวก็เลยเหมือนนะก็ก็งามอ่อนะสวนนี้ก็งามเนะ่อนะไอสวนผนังน่้นรดน้ำพรวนดินแหมไม่ไหวเลยนะสวนนี้เขาบอผนกสร้างบ้านกับผนกอยู่บ้านเนี่ยจะคิดไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าผู้ที่ ใข้ครวรหรือพิจารณาโลกมากๆเนี่ยจะเห็นว่าภาพที่เห็นแล้วก่อให้เกิดโทมานัตเนี่ยมากกว่าสมานัตเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าความไม่สมบูรณ์แบบของสีเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็นำมาซึ่งความลำบากใจให้มากเนี่ยนะสีทั้งหลายเนี่ยนะถ้าถ้าผู้ที่ตกฐานะที่ต้องบริหารห่อยนะจะรู้ว่าสีทุกอย่างเนี่ยนะที่เข้าไปเห็นไปรับทราบเนี่ยนามาซึ่งโทมนัทุกอันเลยเ่าง น, น, นั้น เพราะไรเพราะนำมาซึ่งอภิชากับโธมนัตหมดเลยแต่จริงๆแล้วถามว่าผู้ที่เห็นโดยโสมนัตมากเนี่ยนะเข้ากับเขาบอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาโสมนัตมากอันนั้นแหละจะโธมนัตมากเพราะคาราวาเขายังอยู่ยังมองในเห็นอีกแง่ที่ยังเป็นอ ส, สาทะเพราะอะไรเพราะว่าเสียงหัวเราะของปุถุชนนั่นแหละคือเสียงร้องไห้สําหรับพระอริยะถามว่าทำไมจึงกล่าวอย่างนั้น เพราะเขาหัวเราะ ก, กับสิ่งใดเขาจะโทมนัทจากสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเท่ากับบอกว่าถ้าเขาโสมานัทกับสิ่งใดมากประกาศถึงว่าเขาจะเสียใจจากสิ่งนั้นเนี่ยมากพระองค์บอกเลยใช่ไหมว่าไม่มีอารมณ์ใดอ่ะนะที่บุคคลเข้าไปโสมานัทเข้าไปพอใจแล้วอะ่ะจะไม่เสียใจจากสิ่งนั้นอะ่ะไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราโสมานัทจากการเห็น ก็เตรียมทําใจว่าจะต้องโทมนัสจากการเห็นเนี่ยนะถ้าโสมนัสจากการได้ยินก็แสดงว่าจะต้องโทมนัสจากการได้ยินอีกนั่นแหละมันก็ถ้ายังมีใจอยู่อีกกนะเคยโสมนัสจากการดีใจก็ใจนั่นแหละเป็นที่ตั้งของโทมนัส <c oughs> ในสูตรเนี่ยต่อไปนะพี่นันทนะสูตรนี่เข้าพอดีว่าดูก่อนพี่สูตรทั้งหลายผู้ใดยังเพลิดเพลินจากโศกผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลิน ทุกผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นจากทุกไปเลยนั่นนะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะของมาก็ถ้าคิดแบบแคบแค บ, แบเราเราชอบคิดอะไรที่มันนั้นเอ๊ะมันก็ดีอ่ะถ้าเพลิดเพลินตานะก็ก็มีตานะก็อยู่กับตาอย่างเงี้ยเราก็น็กสั้นๆใช่ไหมแต่จริงๆนะถ้าถ้าเกิดนึกภาพประกอบว่าตัวตาจริงๆอ่ะมันมีตาอย่างอื่นด้วยเช่นถ้ามันโตลออกมาไหน่อเรียกตาอะไรตาปูใช่ไหม ถ้ามันเอียงเข้ามาจะเป็นตาเลยถ้ามันเขขึ้นเนี่ยนะเพราะตาเนียมันไม่ใช่ว่า อ, อ, อย่างที่กล่าวนะว่าผู้ศาสนาไม่ได้มองชีวิตแค่ขณะ น, นี้แต่เขามองเป็นสังสาระใช้คำว่าสังสาระเพราะสิ่งเหล่านี้มันไหลใช่ไหมงนั้นตาที่เรามองเห็นเนี่ยมันพร้อมที่จะอยู่ในลักษณะไหนก็ได้อ่นนะพร้อมที่จะเป็นตาเอียงตาเขตาเลตาเลือกสารพัตานะ แล้วก็ยังมีตาของเดรัฉานที่เราเคยรับภาพมาทั้งหมดนะตาที่ของเราที่มีอยู่เนี่ยพร้อมที่จะเป็นตาลักษณะนั้นได้หมดเลยเนี่ยนะพร้อมที่จะเป็นโรคได้ทุกชนิดเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาเห็นภัยเขาไม่ได้เห็นภัยเฉพาะแค่นี้นะแต่เขาเห็นภัยที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเป็นต้นเนี่ยนะเ<อ>พราะว่าผู้ที่เจริญวิปัสนานี่นะเหมือนเขาเขาเปรียบเทียบว่า ในในมิลินท์ปัญหานะี่ยแยกให้เห็นชัดดีก็บอกว่าเหมือนอย่างว่าเนะี่คนที่ขุดบ่อขุดทำนาเป็นต้นเนี่ยเนะี่ยเขาหิวก่อนใช่ไหมเขาจึงทำนานีนะนะสระน้ําขุดบ่อน้ําเนะนะี่ยนี่ยเขาเขาขุดเพราะว่าเขาหิวน้ําเลยเลยขุดบ่อน้ําใหญ่เลยนะนะเนี่ยนีหรือว่าก็หิวข้าวแล้วทำนาเลยเนี่ยนะนะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ คนที่เขาทําโดยทั่วไปนี่เพราะเขาเห็นภัยว่าถ้าเขาไม่ขุดบ่อเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะน้ําที่มีอยู่เนี่ยปริมาณจํากัดใช่ไหมถ้าไม่ขุดบ่อเนี่ยหมายถึงว่าจะแห้งกันดานไปด้วยน้ําทํานาก็เหมือนกันถ้าเขาไม่ทำนะถ้าเช่นการเพราะปลูกปีนี้ไม่มีการลงเลย น, นะเช่นผักเนี่ยนะถ้าตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยไม่มีใครเอ า, มาเมล็ดลงดินเลยนะไม่มีใครเพราะพันุผักเลยอะถามว่าอะไรต่อไปจะเกิดขึ้นนีนะ ก็แสดงว่าเตรียมหิวกันเถอะครับนี้นี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะผู้ที่พิจารณาตาเนี่ยนะเนื่องจากเขาเห็นภัยที่จะมีตาต่อไปในอนาคตจึงรีบภาคเพียนพิจารณาเพื่อให้เห็นเห็นโทษเนี่ยนะถ้าเห็นโทษได้หมดแล้วนั่นก็เท่ากับแก้ปัญหาเอาไว้เบ็ดเสร็จไม่ใช่ว่ารอให้มันเป็นแบบนั้นก่อนแล้วค่อยเห็นเนี่ยนี่แย่แน่นะจริงตัวอย่างนี้น่าฟังมากครับที่หมายความว่ า, วา เราเตรียมทำนาหรือว่าเตรียมขุดสารเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะรับปัญหาในอนาคต น, นี้นะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันกำลังหิวอยู่แล้วจะไปขุดจะไปทำอะไรใช่ไห ม, มถ้าการเจริญวิปัสสนานะ<ม>เอางี้นะถ้าพูดถึงการพิจารณาตานะต่อให้เอาพัทเตอร์มาแปะตาสองข้างก่อนนะเออมันไม่ที่อย่างยิงๆไงนะกับตอนที่มันไม่มีพัทเตอร์แปะเนี่ยนะอันไหนจะพิจารณาได้ดีกว่ากัน ก็ตอนสบายๆ น, นะเจริญนิพพ ส, สนาได้ดีกว่ากันนะตามันพร่ามันมัวเต็มทีแล้วมันไม่เที่ยงอันนี้พูดแบบค่อนข้างโทมนัส <c oughs> แล้วนะพูดแบบคนโทมนัสอ่ะนะพูดเก่งน้อะใจเต็มทีแล้วนะเออมันไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านว่าจริงๆแต่เมื่อไหร่มันจะหายนี่ย น, นะเอานั่นนี่เพื่อรอให้ธรรมมาปรากฏซะ ก, ะก่อนเนี่ยนี่เหมือนกันครับหรือว่ารอให้เกิดหมาเผชิญกับปฏิฆาไมิมิดแล้วจึงมาเจริญเมตตาเหมือนกันเลยครับ ถ้าหาว่าใครไม่ขุดใครไม่ทํานาเตรียมทํานาไว้ก่อนนะไปเจอเลยครับ <S <S <S ปฏิคานนี้มิดนะครับเรไปเจริญเมตตากรุณาดูเลยครับมันมีทางสาเร็จเลยครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แลนะ้วไงเหี่ยวมะม่วงก่อนแล้วค่อยเอาเม็ดไปเพาะปลูกนะี่มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วงั้นการ อ, อย่างผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเป็นเอาเอาสมัยพุทธกาลมาวัดนะผู้ที่บรรลุมากเนี่ยไวัยไหนบรรลุมาก จะวัยหนุ่มหุมนนะสาวโดย ท, ทั่วไปเนี่ยคือวัยที่กําลังทํามาหากินหมายความว่าวัยที่กําลัง20ถึง40 50แถวเนี่ยโดยมากนะจะเป็นวัยแถวๆช่วงเนี่ยเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นวัยอ่อนกว่านั้นลงนนะอ่อนกว่า20เพราะว่าตอนหลังๆก็จะมีคนที่เริ่มบรรลุตั้งแต่อายุ7ขวบเป็นต้นมาเนนะ่ะนั้นเ7ขวบก็มีบรรลุ5ขวบเขาก็มีบรรลุมันผู้ที่เขาบรรลุตั้งแต่ ตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยนะถามว่าเขาเขาเป็นยังไงอ่ะนะเขาจึงรีบบรรลุจังอ่ะนะทําไมไม่รอให้ตาเนี่ยมันพังไปก่อนเนี่ยนะปวดตาตากูหูนี่น้ำหนวกไหลเยิ้มไปหมดก่อนแล้วค่อยเจริญอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะงั้นเราต้องรีบพิจารณารีบเจริญตั้งแต่ไอตอนที่ยังพอทําได้นั่นนะต้องใคร่ครวญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสําหรับบางคนนะแค่ปรารภ บ, บุคคลอื่นนี่ก็เพียงพอแล้วใช่ไหม เขาก็ในในมีอยู่สูตรหนึ่งนะเขาพูดถึงว่าม้าบางตัวเนี่ยนะม้าที่จะถูกฝึกได้เนี่ยมันก็มีหลายชนิดเช่นว่าแค่เจ้าของยกประตักแค่ว่าเจ้าของเดินมาเนี่ยก็ยอมให้ฝึกแล้วบางตัวไม่ได้ต้องถือหวายมาด้วยนะมันจึงยอมให้ฝึกบางตัวไม่ได้ต้องเงือ้อแล้วมันจึงจะยอมให้ฝึกบางตัวนี่ไม่ได้ต้องถูกเคี่ยนไปก่อนเนี่ยนะมันจึงจะยอมให้ฝึก บางตัวนี่แค่เคี่ยนไม่พอนะมันต้องแบบโน่นแหะเลือดไหลซิบๆนี่แหละมันจึงยอมให้ฝึกบางตัวนี่หนักกว่านั้นเนี่ยจดยิ่งถ้าเราว่าเคียนจนจดเยื่อในกระดูกนะจดกระดูกเนี่ยมัจนจึงยอมให้ฝึกมันได้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยบางคนก็ลักษณะเดียวกันบางคนแค่ปรารบหรือว่าฟังว่าโอ้คนโน้นตายแล้วเนี่ยนะอ๋อตายแล้วเหรอแม้เราก็จะเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วใช่ไหมที่จะ สังเวชนะคะได้ฟังว่าข่าวว่าเขาตายเป็นต้นนี่ก็สังเวชใจละบางพวกนี่ไม่ได้ต้องแบบคนใกล้ๆหน่อยน ะ, ระเรแวกใกล้ๆกันพอสมควรน่อยจึงจากสังเวชใช่ไหมอันนี้แสดงว่าหนังนี่ก็แนังว่าใจเนี่ก็แระหนาขึ้นหน่อยบางพวกไม่ได้ต้องญาติเลยนะญาติตายแล้วจึงได้สังเวชใจแล้วมามามาม า, มาเจริญความเพียรเนยนะบางพวกเนี่ยมันต้องใกล้ชิดมากอนนะคนใกล้ๆนี่แหละจึงกะ บางพวกเนี่ยนะตัวเองเนี่ยเกือบตายเน่นแหละมันจึงสํานวนว่าจึงค่อยๆพอจะเอามาฝึกได้บ้างลังของเราก็พิจารณานะว่าเรานี่กลุ่มไหนนะกลุ่มว่าต้องแบบต้องสบักสบอมเต็มที่ก่อนะเออใช่เลยนะต้องขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าขนาดนั้นก็แย่เลยนะ เพราะว่าคําว่าผู้ใดเพลิดเพลินในจักสุผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุก์เนี่ยนะคำว่าทุกในที่นี้เนี่ยหมายถึงทุกที่มีในวะตะัตตาเพราะคําว่าตานี่มันไม่ใช่มีแต่ตาลูกนี้ลูกเดียวเพราะแมก้กระทั่งผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะตัดฉันธราคาในตาได้หมดท่านก็ไม่ได้ไปทําตาให้แตกทําตาให้บอดแต่เนื่องจากท่านเหล่านั้นเนี่ยพิจารณาตัดชันธราคะในตาทั้งมวลคือไม่สร้างความหวังเพื่อมีตาอันใหม่ไม่ ไม่เพลิดเพลินตาที่เคยมีในอดีตแล้วก็ตามเห็นตาในปัจจุบันเหล่านี้ไม่มีสาระเป็นต้นเนี่ยนะไม่เที่ยงแล้วก็สามารถที่จะลีกออกจากสิ่งเหล่านี้เห็นธรรมะที่สงบระงับจากสังขารเหล่านี้ทั้งมวลน่ะนะผู้ใดเพลิดเพลินในหูผู้นั้นก็เพลิดเพลินในทุกนะเพลิดเพลินในจมูกก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกเพลิดเพลินในลิ้นก็ชื่อว่าเพลิดเพลินใน ทุกผู้ใดเพลิดเพลินในกายผู้นั้นก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในใจก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกนะเนี่ยมันผู้ใดเพลิดเพลินทุกผู้นั้นก็ย่อมไม่พ้นไปจากทุกสูตรหนึ่งก็บอกผู้ไม่เพลิดเพลินในจักรสุก็ชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกอ่าถ้าใช้คำว่าจักรสุให้รู้ว่าเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมความเพลิดเพลินเป็นสัจจะอะไรสมุทัยสัตว์ ความไม่เพลิดเพลินอันนั้นเป็นสัจจาน ะ, ะ ไ, ไม่เพลิดเพลินจะมก็ลบเป็นสัจจานะไม่เพลิดเพลินไม่เพลิดเพลินก็น่าจะเป็นนิโรธสัตต้องเป็นนิโรธสัตว์เนี่ยนะผู้ม า, าผู้ใดไม่เพลิดเพลินในจักสุก็คือเท่ากับว่าในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะคือจักสุกมันพร้อมจะเป็นที่ตั้งของทุกสัตย์หรื อ, อขอ จักรุเป็นทุกขสัตว์อยู่แล้วพร้อมที่จะเป็นปัจจัยแก่นิโรธเทื่อแทงตลอดนิโรธสัตว์ก็ได้เพื่อเป็นปัจจัยให้แทงตลอดอหรือเพื่อเจริญสมุทัยก็ได้อ่นะผู้ใดเพลิดเพลินในจักรสุอันนั้นคือประกาศถึงว่าสมุทัยสัตว์ผู้ไม่เพลิดเพลินในจักรสุคือผู้ตัดฉั้นทราคะในจักรสุทีนี้ตัดฉั้นทราคะได้มันต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะตัดได้จริงๆถ้าไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะก็ยังชื่อว่ายัง ยังอยู่ในขั้นเพลดิดเพลินในจักสุอยู่ถึงเจริญวิปั ส, สนาเห็นจักสุโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะถ้ายังไม่มีอสังขตะธรรมเป็นอารมณ์ก็ยังชื่อว่ายังเพลดิดเพลินในจักสุอีกอยู่ดีเนี่ยนะต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงชื่อว่าไม่เพลดิดเพลินในจักสุเนี่ยนะคือธรรมะที่สงบระงับเนี่ยนะ พ้นผู้ใดไม่เพลิดเพลิพลลววนใ น, นจากสนะุผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกขเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกขย่าเลยเพลิดผู้ใดไม่เพลิดเพลินในหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนะผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกผู้ไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นอ่ะพ้นทุกอันนี้ประกาศอริยสัจแบบสั้นมากนะนประกาศทั้งวัฏตะและวิวัตฏะแบบย่อๆมากกันนะ ผู้ใดเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้นั้นก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นประจากทุก <as> อันนี้เท่ากับประกาศปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมแต่ประกาศแบบย่อหน่อยส่วนในตรงกันข้ามบอกผู้ใดไม่เพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกก็หมายความว่าถ้าตันหาดับอะไรดับอุปาทานดับถ้าอุปาทานดับพบดับถ้าพบดับ ชาติดับถ้าชาติดับชรามรณาโศกปริเทวะทุกขโทมนาและอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ก็มีด้วยอาการอย่างนี้มาใ น, ในอายตนะภายนอกก็เหมือนกันนะก็ประกาศทั้งวัตตะและวิวตะอีกเหมือนกันว่าผู้ใดเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโรพธิภะธรรมรม์ผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกข์เพราะนะรูปเสียงกลิ่นรสโรพธิภะธรรมรม์พวกนี้เป็นทุกข์สัตว์ผู้เพลิดเพลินไอความเพลิดเพลินเป็น สมุทัยศาสตร์ไอความเพลิดเพลินเป็นเหตุสร้างสิ่งเหล่านั้นก็ประกาศว่านี่วัตตะเป็นไปอย่างนี้นะถ้าผู้ใดไม่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมรมผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกผู้ไม่เพลิดเพลินในทุกผู้นั้นย่อมพ้นทุก์เพราะความไม่เพลิดเพลินนั้นเป็นนิโรสัจเจนะนะก็รู้เห็นยังไงจริงจะไม่เพลิดเพลินอ่ะถ้าถ้าโดยว่าโดยย่อๆตรงสับเลยนะไม่เพลิดเพลินอ่ะนะ สิ่งที่ตรงกันข้ามกันนั้นที่คือนิพิทาใช่ไหมรู้เห็นยังไงจึงจะเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เห็นยังไงจึงจะเบื่อหน่ายในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะอนิพิธามีอะไรเป็นปัจจัยมีการรู้เห็นตามเป็นจริงเป็นปัจจัยนะก็คือยะถาภูตยานทัศนะนั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วการรู้เห็นตามความเป็นจริงมีอะไรเป็นปัจจัยบอกมีจิตตั้งมั่นเป็นปัจจัยสมาธิเี่ยนะ จิตตั้งมั่นมีอะไรเป็นตัดใ จ, จยก็บอกมีศีลเป็นปัจจัน่ย น, นะแล้วก็อันนี้คว่าประกาศธรรมะค่อนข้างขั้นสูงเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่านะถ้าถ้าแบบคนที่ความเข้าใจไม่ค่อยมียมันสูงยังไงสูตรนี้เนยฟังดูแล้วก็กธรรมดาธรรมดานี่นะมันธรรมดามากสำหรับผู้ที่เหมือนอะไรเขาบอกคำนวนก็คือไก่เห็นพลอยอะไรลักษณะนั้นน ะ, น ะ, น ะ, นะลักษณะนั้นคือคือไม่ได้นึกว่ามี คุณค่ามมากนักเพราะอะไรเพราะว่าใช้ประโยชน์ไม่เป็นนี่นะอีกสูตรหนึ่งบอกว่าดูกรพิสูจทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความบังเกิดความปรากฏแห่งจักสุขเป็นความบังเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะน่นะใช่ความเกิดความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งจักสุนะ อันนั่นแหละคือความตั้งอยู่แห่งทุกข์อันนี้ต้องมองตั้งแต่ไหนมองตั้งแต่เริ่มมีตาตั้งแต่ครั้งแรกที่อยู่ในคันมานดาเลยนะไม่ใช่ว่ามองตาอันนี้แค่เนี้ยมองตาตั้งแต่การมีลูกตาเลยนะตั้งแต่อยู่ในคันเริ่มขึ้นมาเนี่ยถามว่าเป็นความเกิดแห่งทุกข์เริ่มมีตาก็เอาละทุกข์ทีนี้ไอ้ความความตั้งอยู่เนี่ยคือตลอดเวลาที่มันดำรงอยู่คือความเป็นโรค ถ้ามันปรากฏคือปรากฏแห่งชราและมรณะหมายว่ามันพร้อมที่จะแตกดับเลยนะมันก็โทมลงปกติปกติอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็พร้อมที่จะบอดอยู่แล้วพร้อมที่จะเสียหาย น, นะหูก็นยะเดียวกันนะว่าจมูกิ้นกายใจก็เหมือนกันว่าความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งใจเนี่ยเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกความตั้งอยู่แห่งโรคความปรากฏแห่งชราและมรณะ ส่วนความดับความสงบความไม่มีแห่งจักสุ quizz, like. 對對เป็นะความดับแห่งทุกเป็นความสงบแห่งโรคเป็นความไม่มีแห่งชราและมรณะอันนี้เป็นวิวัตะนะก็เท่ากับว่าประกาศอริยสัจสี่เลยนะทั้งทั้งฝ่ายวัตตะและวิวัตะเบ็ดเสร็จหมดเลยอั้นความดับความสงบความไม่มีแห่งใจเป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบแห่งโรคเป็นความไม่มีแห่งชราและมรณะ นะว่าทุกโรคชะรามมรณะก็คืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจะนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็คือไม่มีทุกไม่มีโรคไม่มีชะรามมรณะเนะี่ยนะความเกิดความตั้งอยู่ความบังเกิดเนี่ยนี่ก็ประกาศถึงว่าชาตินั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจะนะถ้าไม่มีชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีและชาติมีอะไรเป็นปัจจัย ทำไมชาติจึงมีชาติมีเพ่ออะไรเป็นปัจจัยพบพบมีอะไรเป็นปัจจัยอุปาทานนะคือสาวไปแล้วจะได้ไปโน่นอ่ะตั้งกล่าววิชาเนี่ยไล่ไปเรื่อยแต่ตรงนี้ก็เพื่อประกาศให้เห็นชัดเฉพาะชรามรณะกับชาติก็บอกว่าคือชรามรณะชรามรณะสมุทยัยชรามรณะนี่โรดะนะเท่ากับประกาศบทเนี้ยข้ความตรงนี้มันมีความเราะ ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความปรากฏแห่งจักรเป็นความปรากฏจี่ขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่ตั้งอยู่แห่งโรคเป็นค ว, ความปรากฏแห่งชาติชลาไอชลาแล ะ, และมรณะโอ้มันชัดเจนมากๆเลยนนชัดเจนแปลว่า <จน S 2> ตรง<ๆ>อุปนิสยัย อีกสูตรหนึ่งนะว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งรูปเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะนะอันนี้ก็คือรูปนะเสียงเกลื่อนรถโพธะพระธรรมมรมก็ในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งธรรมมรมเนี่ยเป็นความเกิดแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะอันนี้ประกาศวัตตะว่า สังสารวัฏเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้แหละมันเป็นไปอย่างนี้ตลอดอันนี้ใครว่าย่อย่อย่อสังสารวัฏมาประมวลดูแล้วมันมีเท่านี้จริงๆมีแต่ทุกมีแต่โรคมีแต่ชราและมรณะเขาก็มีนักวิจารณ์พุทศาสนาว่ามองโลกในแง่ร้ายใช่ไหมไม่ใช่มองในแง่ร้ายหรอกมองโลกตามเป็นจริงโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันจริงอย่างนี้จริงๆเวลามันเกิดขึ้นมันทุกอ่ะมันการเกิดขึ้นแห่งทุกนีมันตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่แห่งโรค แล้วก็ถ้าสิ่งเหล่านี้ปรากฏคือปรากฏในความชราและมรณะว่าผู้ศาสนามองโลกตามความเป็นจริงอยู่แล้วนะถ้าใช้คําว่าผู้ศาสนาก็อบอกว่าผู้ศาสนาแปลว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านะก็คือสอนโลกตามความเป็นจริงว่าประกาศถึงโลกตามความเป็นจริงว่าโลกคือตาหูจมูกเลนกายใจมันเป็นอย่างนี้คือมันถ้ามันเกิดขึ้นมันทุกข์เหมือนันเนี่ยมันดำรงอยู่มันเป็นโรคมันปรากฏโดยความเป็นชราและมรณะนะนะ อาสาท่ท่านก็ประกาศก็ประกาศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านประกาศหมดเลยเนยี่ยไม่ใช่ประกาศเตเพาะอาท์ีนวะอย่างเดียวนะอาสาทะท่านก็บอกว่ามีมีแต่ว่าน้อยเกินไปอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้เว้นอะไรเลยไม่ได้แต่คือว่ า, าพวกที่มุ่งจะให้ประกาศแต่อาสาทะอย่างเดียวนะอย่าบอกเลยว่ามันมีอาท์ีนวะนะแต่ว่าบอกในแง่ดีอย่างเดียวนะแง่เสียไม่เอา ก็เหมือนกับการโฆษณาทั่วๆไปเนี่ยก็บอกว่าแง่เสียไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าไม่พูดถึง น, นนะชีวิตก็เหมือนกันแล้วก็พยายามจะพูดในแง่ดีเขไว้เนี่ยนะแง่ไม่ดีมีตั้งเยอะๆใช่ไหมแล้วไม่พูดเท่นั้นยังพูดถึงตัวปัจจัยมันเกิดมาจากการได้ยังไงทั้งทั้งดีและไม่ดีเลยบันผู้<ล>ที่ศึกษาคําสอนไม่ตลอดสายส ก, าก็จะพยายามหาแง่มุมมาเพื่อที่จะปฏิเสธนั่นเองเนี่ยนะ ดูความภิสูจทั้งหลายความดับความสงบความไม่มีแห่งรูปเป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบแห่งรูปเป็นความไม่มีแห่งชราและมรณนะเนี่ยถ้าถ้าเป็นผู้ที่เนคขมวิตกมากๆนะไปตรึกตามนี่แล้วจะเห็นว่าเออเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะนะว่าอาจจะมาพูดเฉพาะในห้องทั่วๆไปนี่อาจจะไม่ปรากฏชัดเนี่ยนะนะแต่ถ้าตั้งอธยาสายแล้วก็ตั้งสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ ถ้าว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความเกิดมันเป็นทุกข์ยังไงเนี่ยนะถ้าตั้งโจทย์แบบนี้แล้วก็เอาชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยมาอธิบายนีย่ก็จะเห็นชัดว่าเป็นอย่างนั้นจริงจริงสูตรที่7เป็นต้นเนี่ยนะทั้งทั้งสสูตรที่กล่าวไปเนี่ยก็คือประกาศอริยสัจอีกกยู่ดีเนี่ยนะคือแสดงทั้งวัตตะและวิวัตตะนั่นนะนะตั้งปรมอภินันทนะอภินันทาเนี่ยนะทุติยะอภินันทะหรืออุปาทะทั้ง ปฐมและธุติยะเนี่ยนะก็ประกาศทั้งสัจจะนะะสูตรที่หนึ่งก็สัจจะสองสามสี่ก็ประกาศสัจจะสี่หมดเลยเนะนะเรานี่เห็นสัจจะไหนบ้างละทุกข์กษัตริย์เห็นทุกข์กษัตริย์เลยนะเห็นทุกข์กษัตริย์แล้วเอาะถ้าเห็นเป็นทุกข์กษัตริย์จริงก็หวังว่าจะตัดสมุทัยได้แน่นอนอน ะ, ะนะู้ที่เราไม่มีผิดสกทีนทุกข์กษัตริย์อะไรนะ เพราะเห็นทุกขสัตว์ต่อไปก็จะเห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อที่จะเห็นนิโรธสัตว์เนี่ยนะนวยพวกนี้ถ้าเป็นพวกอัธยาสายัยเรียกว่านิสรณับทยาสัยมากๆนะฟังแล้วดี นะเขาว่าผู้ที่ทําบุญนะแหมสาธุปารถนาข้อให้มีตานะฟังในลักษณะนี้เข้าก็เอ๊ะชักยังไงแล้วกันน ะ, mm hmm. ะคือเพราะว่าอย่างในในคำสอนทั่ ว, วไปนั่นจะมีอะไรเรียกว่าอนุปุปภิกถาคําสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยลําดับโดยลําดับข้อแรกก็จะประกาศเรื่องทานกันเลยว่าทานเนี่ยดีนะมันมีผลมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าจะให้ทานมีผลมากมีอานิสงส์มากต้องรักษาศีลด้วยนะไห แล้วก็สีเนี่ยยังเป็นพื้นฐานเนี่ยนะสีเลยนะสุขติงยันติผู้ที่รักษาสินดีเป็นเหตุให้ไปสู่สุขติเพราะในสุขตินี้บริบูรณ์ไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสพอตภาพมีความสุขบริบูรณ์มากว่างั้นเถอะสรารก็บอกว่าถึงมาเกิดเป็นมนุษย์นะสุขติมันก็ไม่เที่ยงอีกูดีมันชรามรณาโศกะปริเทวะเริ่มประกาศโทษแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัดความรักในสิ่งเหล่านี้ซะเถอะเนี่ยนะครับคําสอนจะเป็นลักษณะนี้อย่นี้ย่าของเราก็มาฟังประเภทเนี่ยตอนท้ายๆแล้ว สามมุสิกังเทศนาละประกาศอริยสัจ น, น, นะจริงแล้วก็ในส่วนอื่นๆแล้วก็ฟังกันมาค่อนข้างเยอะแลยนะก็เรียนกันมาสามปีแล้วนะโอ้เรียนกันได้กันดีจริงๆเป็นนักเรียนจริงๆ <c oughs> น, นั่ล <c oughs> ูกเป็นยาแล้วสามปีนะาสามปีนี่มันครบ3ามปีนะมันไม่ไไม่ได้เริ่มเพิ่งสามปีนะ <c oughs> นี่จะเข้าปีสีแล้ว มันมีบุญทั้งนั้นเลยทุกมีบุญทั้งหลายทั้งหมดนี่เลยก็แล้วก็คุณนภา้างหน้าไม่เหมือนเดิมก็ใช้ได้แล้วนไหปีนเอานะสามปีผ่านไปนะไก่กยังยิ้มม้างนะปีโน่นยิ้มไม่ออกเลย